สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจบจากสุภาษิตครั้งที่82เรื่องจงให้โอกาสคนดีมีปัญญาและชอบทำเพราะว่าเจะนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อที่31จนถึงข้อที่35 สุภาษิตบทที่สิบสี่ข้อสามสิบเอ็ดจนถึงข้อสามสิบห้าโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าบุคคลผู้บีบบังคับคนยากจนดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่บุคคลที่เอ็นดูต่อคนขัดสนก็ถวายเกียรติแด่พระองค์คนชั่วร้ายก็ถูกคว่ำลงตามการกระทำชั่วร้ายของเขา แต่คนชอบทำพบที่รีัยด้วยใจแน่วแน่ของเขาปัญญาอาศัยอยู่ในความคิดของคนที่มีความเข้าใจแต่ปัญญานั้นไม่ประจักษ์ในใจของคนโง่ความชอบทำเชิดชูประชาชาิหนึ่งหนึ่งแต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหนึ่งหนึ่งถูกตาหนิข้าราชการผู้ประกอบกิจอย่างเฉลวฉลาด ก็ได้รับความโปรดปรานจากพระราชาแต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่ประพฤติหน้าละอายพี่น้องทับขอบคุณพระเจ้านะอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้ะของพระเจ้าได้ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสน้อมและลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินมหาภูมิพลอดุลเดช ในการที่เราทั้งหลายนั้นเป็นพระสนิกรของพระองค์เราควรจะต้องโน้มนำและน้อมนำพระราชันต์ตรัดของพระองค์นั้นไปปฏิบัติตามให้โอกาสคนดีให้โอกาสคนที่มีสติปัญญาและให้โอกาสคนที่ชอบธรรมพี่น้องขับพระเจ้านั้นพอพัไยัยและโปรดปรานผู้รับใช้ที่ ประกอบพันธกิจรับใช้พระเจ้าอย่างเฉลียวฉลาดและใช้สติปัญญาและด้วยความชอบธรรมการกระทําเหล่านี้ครับจะทําให้พระเจ้านั้นมีความสุขและมีความพอพระทยัยในทางกลับกันครับถ้าเขาไม่ใช้ปัญญาไม่มีความเข้าใจที่ดีเท่ากับเขากําลังจงใจที่จะทําให้พระราชาอับอาย เขาจะทำให้พระเจ้าไม่ได้รับเกียรตินั่นจะนำมาซึ่งความโทมนัสเสียพัดไคและความอับอายอันจะนำไปสู่ความโกรธและการลงโทษได้น่าเสียดายนะครับที่หลายหลายคนจงใจที่จะไม่รับใช้ไม่ประกอบภันธกิจอย่างเฉลียวฉลาด ไม่ถูกต้องขอบคุณพระเจ้าครับที่พอเจ้านของพระเจ้าได้เตือนสติเราข้อสามสิบเอ็ดได้กล่าวถึงคนที่มีอคติและมีความลำเอียงเอาเปรียบคนยากคนจนอันนี้ถือว่าเป็นการทำบาปต่อพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้านั้นทรงสร้างมนุษย์ทุกคนพระเจ้าสร้างทั้งคนร่ำรวยและคนยากจน พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปกป้องคนยากจนครับคนที่มีสติปัญญาคนที่มีพระปัญญาของพระเจ้าและอยู่ฝ่ายพระเจ้านั้นเขาจะเอาใจใส่คนยากจนจะเห็นอกเห็นใจคนยากจนจะให้เกียรติคนยากจนและตอบสนองต่อความต้องการของคนยากจนการที่เราจะต้องเอ็นดูดูแลคนยากจนเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นพระเจ้าพอพระทัยครับและเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้ ก็เท่ากับเรากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทางกลับกันครับใครก็ตามที่บีบบังคับคนยากจนทำให้คนยากจนอึดอัดทำให้เขาดำรงอยู่โดยการแบ่งแยกโดยการลิ s c r i m i น a t ตเท่ากับเขากำลังดูถูกพระเจ้าคนที่บีบบังคับคนยากจนคนที่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ เท่ากับเขากำลังดูถูกพระเจ้าเราจะดูต่อไปครับข้อสามสิบสองข้อสามสิบสองบอกว่าคนชั่วร้ายก็ถูกคว่ำลงตามการกระทาชั่วร้ายของเขาแต่คนชอบทำจะพบที่รีบไพด้วยใจแน่วแน่ของเขาคำว่าใจแน่วแน่นั้นในข้อสามสิบสองนั้นก็คือแปลว่า integrity integrity ท, ที่แปลว่าความสักด์สื่อ หรือคุณธรรมเราจะเห็นว่าคนชั่วร้ายนั้นสร้างปัญหาแนละปัญหาต่างๆนั้นจะวกกลับมาทําลายคนชั่วร้ายและสร้างความหายนะกับคนชั่วร้ายเนื่องจากพระเจ้าไม่ได้อยู่ฝ่ายเขาและเขาไม่มีความหวังใดๆในพระเจ้าในทางตรงข้าเมื่อคนชอบธทำเผชิญกับความตายแม้ถึงความมรณาเขาเองก็ยังมีที่พักพิงในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นที่รีพไพรของเขาใครก็ตามครับ ที่ทำชั่วเขาจะถูกคว่าลงและจะรับผลแห่งความชั่วร้ายหรือรับกรรม <c oughs> ของความชั่วร้ายก็คือการลม้มลงครับการตอบสนองของสิ่งที่คนชั่วร้ายทำนั้นก็คือความเลวร้ายและผลของความชั่วร้ายนั้นจะกลับไปสู่ตัวเขาในขณะที่คนชอบทำ ที่มีใจสัตด์ซื่อมีอินเทกริตี้อินเทกริตี้และความสัตด์สื่อของเขานั้นจะปกป้อ ง, ของเขาไว้จากการอธรรมการข่มเหงและจะพบกับสนรีสุขที่มาจากพระเจ้าข้อสามสิบสามครับในความคิดของคนที่มีความเข้าใจนะครับคนที่ฉเฉลียวฉะลาดในความคิดของเขานั้นจะมีท่านปัญญาอาศัยอยู่ครับในที่นี้พระกัมพีพยายามที่จะใช้ให นามา ร, รมเกิดเป็นรูปธรรมก็จะมีเจ้าหญิงปัญญานะครับหรือคุณปัญญาหรือท่านปัญญาท่านปัญญานี้จะอาศัยอยู่ในความคิดของคนที่มีความเข้าใจจะให้ความคิดเหมือนกับบ้านที่ท่านปัญญาจะอยู่แต่บ้านนั้นจะเต็มไปด้วยความคิดสติปัญญาในขณะเดียวกันครับท่านปัญญานี้จะไม่อาศัยอยู่ในใจของคนโง่พี่น้องครับ ข้อต่อไปก็คือว่าประเทศใดก็ตามที่มีคนฉเฉลียวฉลาดอาศัยอยู่ก็จะเชิดชูเชิดหน้าชูตาประเทศนั้นๆในทางกลับกันตรงกันข้ามหากประเทศใดมีคนบาปอาศัยอยู่มากก็จะเกิดความล่มสลายและความน่าอับอายต่อชนชาตินั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับ ที่เราต้องดำเนินตามพระราํารัดของในหลวงของเราก็คือต้องอย่าปล่อยให้คนชั่วร้ายมีอํานาจครอบครองหรืออํานาจปกครองเราจะต้องส่งเสริมคนดีให้กระทําความดีและอยู่ในอํานาจเพื่อที่จะใช้ความดีนั้นพัฒนาประเทศชาติด้านเมืองของเราต่อไปพี่น้องครับคริสตจักก็เช่นเดียวกันครับจะต้องส่งเสริมให้คนที่รักพระเจ้าให้คนที่มีคุณธรรมมีอินเทคติตี้มาดูแลปกครอง คือสดจักรและต้องปกป้องเขาเหล่านั้นนะครับและเขาเองก็กจะปกป้องไม่ให้ขึ้นจากนั้นก้าวสู่ความตกต่ําโดยการกระทําของคนชั่วร้ายครอบครัวก็เช่นเดียวกันครับต้องสนับสนุนลูกหลานที่ดีที่รักพระเจ้าให้ทําดีให้เขามีโอกาสแสดงความสามารถแสดงความชอบธรรมแสดงความดีของเขาเพื่อครอบครัวจะอยู่รอดปลอดภัย และครอบครัวจะได้รับผภาดจากพระเจ้าการสนับสนุนจากพระเจ้าจะมาถึงครอบครัวนั้นจะมาถึงชีวิตของเขาด้วยและครอบครัวนั้นจะอยู่ในความมั่นคงปลอดภัยตลอดไปพี่น้องครับบ้านใดครอบครัวใดที่สจรใดองค์กรใดที่มีความชอบธรรมรักความยุติธรรมรักสัจจคตกรุณาสิ่งเหล่านี้ครับจะเชิดชูครอบครัวนั้น บ้านนั้นคึกจักนั้นองค์กร น, นั้นต่อจนประเทศชาตินั้นนั้นให้ได้เจริญก้าวหน้าให้เป็นพระพรให้ได้รับความโปรดปรานข้าราชการที่ประกอบกิจรับราชการอย่างเฉลียวฉลาดก็จะรับความโปรดปรานจากพระราชาครับอามนีน